การได้รับผลของกรรมในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ได้รับมันมีเหตุเป็นวิบากเป็นวิบากพระองค์ก็แสดงให้ดูเอาเรื่องไหนก่อน เ, อเรื่องไอากาไอากาเนี่ยทั้งพระองค์ก็บอกว่าไอากาตัวนี้เนี่ยนะทำไมต้องเรียกไอากาเพราะว่าอดีตเนี่ยเป็นเป็นคนเลี้ยงวัว คนเป็นชาวนาไอวัวตัวนี้ให้มาไถนามันดือ้อดึงเท่าไหร่จูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมามันดือ้อเมื่อมันดื้อก็เลยเออมึงดื้อดีนักใช่ไหมโอเคอยู่ตรงนั้นแหละผงไม่พูดว่าโอเคนะโอเคเหมือนภาษาอังกฤษปัจจุบันใช่ไหมเอาละแกเมื่อไม่ยอมมาไถนาท่านก็ให้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเอา ฟ่อนฟางชาวนาจะมีฟางใช่ไหมมีมีหญ้าแห้งๆเอามาคล้องเป็นพวงมาลัยอ้อวัวก็นึกว่าให้อาหารมันเอามาคล้องรอบตัวแล้วจุดไฟเผาอยากจะกินสเต็กหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าวัวก็ตายด้วยความทรมานแล้วไอ้คนเผาเนี่ยตกนรกตายจากความเป็นคนแล้วก็ตกนรกหมดวิบาก แห่งสัตว์นรกแล้วก็เกิดมาเป็นนกบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็ถูกไฟเผาอยู่อีกหลายชาติชาตินั้นเป็นชาติหนึ่งที่เกิดมาเป็นนกกาแล้วก็ถึงเวลาที่วิบากจะให้ผลวิบากแห่งกรรมนั้นจะให้ผลเป็นเศษกรรมเท่านั้นเนะเป็นเศษนะถ้ากรรมตรงๆก็คือตกนรกไปแล้วใช่ไหมนี่เป็นเศษกรรมที่เป็นไปเผาเผาวัว บินมากลางอากาศแท้ๆไฟยังอุตสาหลอยไปให้คล้องคอจนได้พระท่านฟังแล้วก็โอ้โหกรรมชั่วไม่ทําไม่ทําแล้วเมียใต้กขงอ่ะเมียใต้กขงเมียเมียหัวหน้าเรือเนะ่ยหัวหน้าชาวเรือคนนั้นอนะทําไมทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่นางคนนี้จะมาเกิดเป็นเมียใต้กขงเนี่ยนะ เกิดเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งแต่งงานกับสามีแล้วไปพอใจไอ้หนุ่มคนใหม่ก็เลยวางแผนฆ่าสามีฆ่าสามีแล้วสามีรักภรรยามากไม่รู้ว่าถูกรอบฆ่าก็มาเกิดเป็นเป็นงูมาอยู่ใกล้ภรรยาภรรากลัวงูก็ตีงูตาย งูไม่ทันรู้ตัวว่าใครตีด้วยความรักภรรยาก็เกิดมาเป็นตัวอะไรใกล้ๆอีกก็ถูกทำตายอีกจนอีกชาติหนึ่งชาติที่สามมาเป็นสุนัขมาเป็นสุนัขภรรยาทีแรกก็ตัวเล็กๆก็น่ารักนะนะหมาเนี่ยตัวเล็กๆก็น่ารักพอตามไปตามมาตามบ่อยมากเลยตามคลอเคลียมากคนก็แซลแซลผู้หญิงวะว่าโอ้โหทามีหมาตามตลอดเลยนะยังกะเป็น ในพรานสุนัขเมื่อก่อนในพรานเนี่ยเวลาเข้าป่าจะมีสุนัขตามก็เซลผู้หญิงคนนี้ก็อายยังไงก็ไม่รู้อายคำเซลของชาวบ้านว่ามีหมาตามคลอเคลียอยู่เรื่อยๆก็เลยไล่ไปคราวนี้ไล่ตีไม่ให้หมาหมาเนี่ยนะด้วยความผูกพันเคยเป็นสามีนะมันก็อยากจะคลอเคลียกับภรรยามันก็จําได้นะเกิดใหม่สามชาติแล้วนะ ก็ยังจำได้ว่านี้คือเมียเราอยากจะเข้าหาก็ไล่ตีตีเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็มาอีกตีเท่าไหร่ก็มาอีกเจ็บตัวนะแต่ก็ยังอยากมากอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าเมียก็เลยผู้หญิงคนนี้เลยคิดแผนว่าทำอย่างไรหมาตัวนี้จะไปพ้นๆ น, นสถิทีเพราะว่าคำนินทาคำแซวของชาวบ้านเนี่ยยังมีอยู่ ถ้าหมาตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่และตามเรามาอยู่อย่างนี้คําแซลก็ยังมีอยู่ทำยังไงที่จะไม่ให้มีคําแซลก็จะจัดการหมาดินตัวนี้ไปรู้จักคาว่าจัดการใช่ไหม <c oughs> มีพระมีพระองค์หนึ่งนะรูปหนึ่งเรียกเนนมาเนนกุติหลวงพี่มีทุกแกจัดการที เนนก็คว้ามีดมาเลยฟันฉับตกใจพระตกใจบอกเฮ้ย hey, ให้จัดการคือเอากุแกเอาไปที <laughs> เนนนี่ห้าวมากเลยมีฟันฉัอย่างนี้นี่พระไม่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวนะเป็นวิบากของเนนเองและเนนนี่พอสึกไปนะถูกฟันปึก <laughs> ตาบอดเลยนั่นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง <laughs> กลับมาถึงเรื่องอสุนัข ก, กับหญิงวันนั้น หญิงคนนั้นก็จัดการสุนัขแผนก็คือเราเคยตีมันมันก็เลยหนีใช่ไหมตอนนี้มันชักระแวงก็เลยคราวนี้เอาอาหารมาให้เอาอาหารมาให้เรียกสุนัขมาสุนัข ก, ก็ดีใจมากเลยโอ้โหไม่เคยไม่เคยมีอารมณ์นี้มานานแล้วหญิงที่เรารักเรียกเข้ามาให้อาหารด้วยไม่เคยมีอย่างเรื่องอย่างนี้มานานแล้วก็ดีใจเข้าไปกระดิกหางติ๊กๆิๆๆๆ๊เข้าไปไปกินปรากฏว่า ผู้หญิงเตรียมเอาไว้แล้วรู้จักกระออมไหมกระออมกระออมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะกระออมคือภาชนะที่สารเอาไว้ใส่น้ําแกก็เอากระออมใส่น้ําอย่างเต็มเลยนะใส่ไม่ได้ใส่น้ําใส่หินใส่หินเอาไว้ผูกเชือกก็ไว้พอหมามากินข้าวก็คล้องคอหมาแล้วก็โยนกระออมลงน้ําหมาก็ถูกกระออมลากจมน้ําตายนี่เป็นเหตุผลทําไมว่าไม่ถูกรอยแพล ใต้โขงบอกว่าฉันทนเห็นไม่ได้กรรมบรรดาให้ใต้โขงต้องคิดว่าฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นเมียตัวเองลอยไปต้องถ่วงด้วยหินพอจมลงไปเนี่ยปลาก็กินกันใหญ่เลยนี่เป็นวิบากเก่าที่หญิงคนนี้ได้เคยทากับสุนัขเอาไว้แล้วพระอีกเจ็ดรูปที่ถูกหินสไลด์มาปิดร่อมบอกว่า เคยเป็นเด็กเลี้ยงควายชาติก่อนเป็นเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายเนี่ยจะต้อนควายไปกินหญ้าที่หนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปกินที่อื่นต่อวันหนึ่งต้อนควายไปกินหญ้าที่หนึ่งแล้วเห็นเฮียรู้จักเฮียใช่ไหมเฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจะแปลยังไงดีให้มันสุภาพคนไทยเรียกเฮียซะจนกลายเป็นคาไม่สุภาพนะ จะบอกวรนุชก็ไปไ ป, ไปคล้องกับชื่อคนคนชื่อคล้ายๆวรนุชก็จะเดือดร้อนก็กลับมาใช้คําเดิมแหละเฮี er ้ยนะเฮี้ยเจอเฮี้ยคนเด็กเลี้ยงควายก็เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยด้วยความสนุกนะเด็กเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกนะจับเฮี้ยให้ได้แล้ววันนี้ถ้าจับได้จะได้กินเฮี้ย เฮียก็หนีแหล่งที่หนีที่ดีสุดคือเข้าไปในจอมปลวกจอมปลวกใหญ่ๆมุดเข้าไปในจอมปลวกเขานี้ก็เลยจับไม่ได้จับไม่ได้เหรอขังไว้ก่อนขังเอาไว้ก่อนนะปิดปิดรูให้หมดเลยเอากิ่งไม้ที่เป็นหนำๆเนี่ยปิดรูปากรูให้หมดเดี๋ยวพอมันหมดแรงเนี้มันออกมาเองรอให้มันหมดแรงในระหว่างรอให้มันหมดแรงเนี่ย ก็ไปเลี้ยงควายแล้วก็ลืมเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งก็ไปอีกที่หนึ่งอีกวันไปอีกที่หนึ่งเจ็ดวันวนมาที่เดิมมันนึกขึ้นได้เฮ้ยไอจอมปลวกนี้เนี่ยเราเคยขังเฮี้ยเอาไว้ดูซิว่าตอนนี้มันยังอยู่ไหมก็ลือลื้อไอที่ขวางๆรูเอไว้เนี่ยนะเฮี้ยพอช่องทางเปิดแล้วก็ค่อยๆคลานออกมาก็ย่องก็ยั่งหมดแรงเพราะอดอาหารถึงเจ็ดวัน ออกมาลิ้นห้อยเลยเฮียนี่เคยเห็นไหมมันจะควายแลบลิ้นอยู่เรื่อยๆนะสองแฉกด้วยพอออกมาเห็นท่าทางมันก็ย่องกระแยงขนาดนั้นท่าทางตอนไม่อดอยากก็น่าเกลียดอยู่แล้วนะตอนมันอดอยา ก, กยิ่งน่าเกลียดแล้วก็น่าสงสารมากเจ็ดคนเลยตกลงใจว่าเราไม่กินละเฮียสงสารมันสงสารมันก็ปล่อยมันไปวิบากนั้นทําให้ต้องมา ถ, ถูกปิดถูกปิดท่าอยู่เจ็ดวันเพราะาปิดเฮียไว้เจ็ดวันวันนั้นถ้าเฮียออกมาแล้วกินเฮียด้วยนะพระเจ็ดรูปนี้คงมรณภาพแต่ว่าพอเห็นเฮียแล้วเปลี่ยนใจปล่อยมันไปก็เลยหินสไลด์อีกทีหนึ่งได้กลับออกมากราบพระเจ้าได้พระเจ้าบอกว่ากรรมทำแล้วย่อมมีผลผลของกรรมเนี่ยจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้น บินอยู่บนอากาศไฟยังึกษารลอยไปลูกได้อยู่ในถ้ำมันก็ยังตามมาให้ผลได้อยู่ในทะเลอยู่กลางกลางทะเลอยู่ในเรือกรรมก็ให้ผลได้หนีไปต่างประเทศก็ไปได้จะขึ้นยานอาวกาศไปดวงจันทร์มันก็ตามได้ <c oughs> เพราะแหล่งให้ผลของกรรมคือขันห้านี้ไม่ว่าจะไปไหนที่ให้ผลของกรรมก็ยังมีอยู่ <c oughs> ก็ไม่พ้น นี่คือเรื่องของกรรมเป็นการเล่าแถมไม่มีในซีดี